นอบนอมต่อพระรัตนตรัยก็กราบนรสการลมผวกลมผู้เป็นประธานกราบนรสการบัะเทลานลาันเทละพระภิกษุเพื่อนสาธรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมบุบาสุบาสิกาเรามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ <c oughs> คืออาศัยหมู่อาศัยมิตรอาศัยเพื่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าหากไม่มีหมูไม่มีมิตรเราก็ไปทำได้ยากถ้าเราไปทำอยู่ที่บ้านทำอยู่คนเดียวอย่างเนี้ย <c oughs> โดยเฉพาะเราทุกคนก็เหมือนกันเนาะมาใหม่ๆเนมาปฏิบัติทำจะให้มีสติเลยนี่ก็ยาก จะให้มาเอาความรู้สึกตัวเลยนี่มันยากมันยากเพราะอะไรเพราะเรามีของเก่าๆ เ, เรียกว่าเคยติดเคย <c oughs> เป็นเคยมีอะไรมาพอมาเดินจงกรมมาทำความเพียรเนี่ยมันก็จะเข้ามาสารพัดอย่างนะทีนี้เราก็มาสาหมูสายมิอคนนั้นก็ปฏิบัติคนนี้ก็ปฏิบัติคือน้อมน้อมเอาความดีเข้ามา <c oughs> ใส่ใส่ตัวเองอาจมาก็เหมือนกันมาใหม่ๆหมก็เหมือนกันแต่ว่าเราจะเจริญได้นี่เราก็ต้องอาศัยความเพียนความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความยากความลาบากอดทนต่อการเดินจงกรมทาความเพียรเนี่ยบางทีเรา <c oughs> ถ้าไม่มีหมู่มิมิตรเนี่ยความอดทนก็น้อย <c oughs> มันก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่า ถ้าเรามองเห็น <c oughs> มองเห็นประโยชน์เรานึกถึงประโยชน์ว่าถ้าเราไม่ทำเราจะไม่มีเครื่องไม่มีสติเป็นเครื่องป้องกันป้องกันความทุกข์มาปฏิบัติใหม่ๆล้วก็อาศัยโยมทำยังไงเราจะทำให้ <c oughs> กําลังกายเราเนี่ยเรียกว่าทำยังไงจะใช้ให้มันสุดๆ ทำให้มันเต็มที่เราจะเอายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราจะเห็นนักยกน้ําหนักหรือนักกีฬาอนักมวยเขาฝึกเขาหัดจนกระทั่งว่าสามารถที่จะทำอะไรหนักๆนักกล้ามอย่างเนี้ยเขาฝึกเขาหัดจนกระทั่งว่า <c oughs> ทำอะไรได้มากกว่าคนธรรมดาเราก็มองตรงนี้มันกันโอ้เราต้องฝึกต้องหัดอย่างนี้ทาอย่างนี้เพื่อให เพื่อให้เรามาใช้กายของเราเนี่ยอย่างสุดๆนะโยมถ้ามันมีสติแล้วเนี่ยมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยกายเราจะทําอะไรได้มากมากจริงๆนะโยมตอนปฏิบัติใหม่ๆก็เหมือนเหมือนกับพวกญาติโยมนี่แหละโยมลา ด, ดมา ก, ก็เหมือนกับพวกญาติโยมนี่แหละแต่ก็สังเกตดูว่าเอ๊ะถ้าเราปฏิบัติคนเดียวมันชอบง่วงก็ไปเดินเดินที่ไหนเดินในคนเยอะมากๆ เดินในศาลาอย่างนี้ขนาดนั้นมันก็ยังง่วงมันก็ยังหลับอยู่นะความคือความเคยชินเก่าๆมันครอบงํามันมันมันหลับมันไม่อายดอกมันจะหลับมันก็หลับไปอย่างนั้นแหละมันทนไม่ได้คือตอนตติยังไม่มากเนี่ยก็เดินยงกลมทั้งเดินไปอ่าเดินไปยังไม่ถึงสุดทางมันก็หลับอกลับมาเด้งไม่ได้สุดทางก็หลับ มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเองอย่าไปโทษมันคือเราใช้ความเพียรความอดทนเราจะไปลงโทษเราเราอายเขาเนาะมันเราง่วงทําไมง่วงมากแท้ไปอยู่เดินตรงนั้นไม่ใช่คือตรงไหนมันเป็นความเพียรถึงมันจะหลับก็เดินไปเถอะเดินไปกระทั่งมันหลับมันละเดินไปเดินมาเดี๋ยวเมื่อสติมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะ บรรเทาเบา บ, าบางเองเมื่อความรู้สึกตัวมันมากขึ้นมันก็จะบรรเทาบรรบาเรียกว่าอุปนิสัยจิตใจของคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนมีความโกรธมีความทุกข์อยู่เนี่ยความว่วงจะไม่ค่อยมีความต้องจะมันเป็นเรียกว่าอุปนิสัยจิตใจของคนแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันจากนั้นก็อาศัยความเพียรความอด ท, ทนความพยายามนี่แหละสร้างให้มากทําให้มากเมื่อทํามากๆแล้วเนี่ย เราก็จะเห็นในอดัมามกักจะพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่เราต้องอกําหนดอยู่เนี่ยมันมันยังมันยังเรียกว่าสติที่เรากําหนดอยู่เนี่ยมันยังมันยังยากอยู่แต่เมื่อเราทําไปทําไปทําไปเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตัวที่มันที่มันเป็นเกิดเป็นเด้เเงเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องกําหนดเนี่ยมันจะปรากฏให้เราเห็นให้เราได้สัมผัสตรงเนี้ย ถ้าเราได้สัมผัสตรงนี้เราจะมั่นใจนะเราจะมั่นใจแต่ว่าบางทีเราการปฏิบัติคนที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยคนไม่มีความทุกข์นี่มักจะทำทำอะไรไม่สวยค่อยสุดเพราะว่ามันไม่ทุกข์แต่ถ้าคนมีความทุกข์มากๆแล้วเนี่ยจะทำความเพียรมากเพื่อ มันมันเมื่อมันเกิดทุกข์นี่มันจะได้มันจะผ่านทุกความทุกเรียกว่าอดมาเก็เหมือนกันถ้าจะคิดว่ามาบวชในในมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกันแต่ก็มันก็มีเหตุการณ์ที่ที่เรียกว่าทำให้เราต้องรีบปฏิบัติคือถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยมันก็คงจะไม่เต็มที่นะมันก็ฏิัต ค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละทีนี้พอมันมีเหตุการณ์อะไรคือเหตุการณ์ที่ที่เรียกว่าเฉียดตายเลยโยมเฉียดตายกันแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนไฟช็อตไปทำไฟปีพศ2 3 7เนี่ยขนาดปฏิบัติเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปี33นะได้ได้สัมผัสอารมณ์ที่จริงๆปี37 ได้สัมผัสอารมณ์ที่ความรู้สึกตัวที่เราไม่ต้องกำหนดเนี่ยมันเป็นเองเนี่ยได้ปีพศ .1037 เพราะว่ามันเมื่อมันโดนไฟช็อตเนี่ยมันจะตายคือไปไปทำไฟฟ้าที่กุฏิหลังหนึ่งแล้วก็ทำานืา้ชันข้าวเสร็จไฟหไฟห้องนั้นมันไม่ติดก็ พอทำเสร็จแล้วก็สับกันเอาขึ้นสับือขึ้นสับลงสับขึ้นสับลงทำยังไงก็ไม่ติดจนกระทั่งจะฉันเพลนอยู่แล้วทีนี้เอาคัดเอาขึ้นก็ลืมว่านึกว่าเอาลงก็ไปทำใช้บันไดเหล็กขึ้นไปทำไฟพอแกะผ้าเทปออกจากสายไฟเท่านั้นแหละมือมันติดมือทันทีเลยไฟมันดูดติดติดพอติดปุ๊บมันมันก็สะบัด แขนเพราะว่าแขนเนี่ยติดกับเหล็กแขนเนี่สะบัดพอสะบัดปุ๊บนี่มันยังมีสติอยู่ตอนแลกเหมือนชอดมือขวามีสติอยู่ก็เอามือซ้ายไปฟันสายไฟออกจากมือตัวเองยกมือซ้ายขึ้นฟันสายไว้ชับติดออกพอมันหลุดจากมือขวาสายไฟมันมาติดมือซ้ายทีนี้หมดเลยสติหมดเลยความกลัวเข้ามาแทนที่เลย ความกลัวตายเนี่ยมันเข้ามาแทนพอเข้ามาแทนไปเนี่ยมันร้องสุดเสียงเลยเนี่ยร้องโหยหวนมากเพราะว่าความกลัวตายเราทุกคนนี่พอถึงข่าวอย่างนั้นนี่พอมันจะตายนี่ร้องเสียงหลงยนโอยหวนมากเลยเพราะเอื่นว่ามือขวาเนี่ยมันคล้องบันไดมันคลายออกจากบันไดไงหลังตกลงมาจากบันไดตกลงมานี่มายืนอยู่นะขณะที่ยืนอยู่เนี่ย ของเราเนี่ยมันจิต <c oughs> ของอามาเนี่ยมันก็เหมือนกับบทสวดเมื่อวานนี่แหละที่อัดเชวะกิจจะมาตะปังก็ไม่รู้ว่ามายัางไงนะกัดเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามื่อนางสุเวยโอ้ความเพียรเราทําความเพียร น, น้อยเด้เราประมาทอยู่ตอบบทตอไปเราต้องเร่งความเพียรแล้วเนี่ยขนาดแล้วมันมันที่มันมันเกิดขึ้นมาได้นี่เพราะอะไรเพราะมันตกลงมาปุ๊บนี่เอ้ย เรายังไม่ได้ทําความดีเลยมันจะตายแล้วหรือเนี่ยก่อนที่มันจะนึกบทบทพุทธภาสิท์บทนี้ขึ้นมาเนี่ยอา้าวเรายังไม่ได้ทําความดีเลยเอา้าบวชมาตั้ง 4, สี่พรรษาแล้วยังไม่ได้ทําความดีเลยเลยหาความดีไม่เจอเมื่อหาความดีไม่เจอเนี่ยอ้ยมันก็บทนี้เราขึ้นมาเนี่ยอัจเฉวกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสเวเน่โอ้ยเราประมาทอยู่เราไม่เร่งเรีบความเบ็นเราต้องทําความเพียรแล้ว เร่งเรียบความเปลีนน่ยนตั้งแต่นั่นเลยโยมอันเนี้ยพอมันมีเหตุการณ์นี้ก็ทำความเปลี่ยนก็ได้สัมผัสในปีพศสอร้อยสาสิบเจ็ด่าที่ในช่วงในนั้นในราษาวันที่จะได้ความรู้สึกตัวที่มันเป็นเองเนี่ยเป็นวันสิบสี่ค่ำเดือนสิงหาคมสิบสี่ค่ำแล้วทีนี้วันนั้น เดินยงกลมทำความเพี่ยนก่อนจะนอนตั้งแต่โนู้นตั้งแต่ทําวัดเสร็จก็ไปเดินยงกลมทําความเพียนมันเบามันพองใสอืมแต่พอถึงเวลานอนพอถึงเวลาปุก็ไปนอนพอไปนอนเนี่ยยังไม่ทันเอ็นตัวยังไม่ทันจะหลับมันก็เหมือนกับมีอะไรมากระตุกสีข้างเนี่ยจึ๊กจึ ก, จกสองทีเอ้าวไอ่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยตาสว่างโพลงเลยเ ขณะที่มันง่วงจะไปนอนนี่มันหายหมดละความง่วงหายจิตมันตื่นเมื่อจิตมันตื่นนี่เราก็บอกว่าอา้าววันนี้มันเป็นเวลานอนมันไม่ใช่เวลาตื่นนี่เนี่ยก็หลับตานอนอยู่างนั้นแหละแต่จิตข้างในมันสว่างพโพร่งอยู่นะก็พยายามฝืนนอนอยู่นอนนอนได้ไม่นานนะนอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่ทไม่เกินสามชั่วโมง ก, ก็ตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมาก็เดินโยงกรมทำความเพียรก็มันก็ไม่ง่วงอันนี้คือจิตถ้าจิตมันตื่นแล้วมันมันจะไม่มีความง่วงมันจะสว่างโพลงข้างในพอเดินโยงกรมทำความเพียรจนกระทั่งไปทำมาเช้าตีสี่นพอฉันเช้าเสร็จตอนเช้าก็คุยกับเพื่อนพระด้วยกันคุยกับเพื่อนพระบอกว่าโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยเดินโยงกรมได้ความรู้สึกตัวดีดีพระนั้นก็บอกเฮ้ยวันนี้ อ่าอย่าทำความเพียนดีๆนะอย่านอนกลางวันเนะเดี๋ยวก็ได้ได้อารมณ์เดี๋ยวได้อารมณ์แน่ๆแล้ววันนี้ทีนี้บ่กเออจะนอนอยังไงวันนี้เป็นวันลงอุโบสถเดี๋ยวไปลงอุโบสถก่อนก็วันนั้นก็ไปลงอุโบสถกลับมาจากที่บ้านลัญยาพอกลับมาจากลงอุโบสถเนี่ยเอาผ้าจีวรแช่ไว้ไปซักผ้าจีวร ขณะที่ซักผ้าจีวรเนี่ยความรู้สึกตัวที่เราไม่ได้กำหนดที่มันเป็นเอง เ, เกิดขึ้นดันดีนอะอันนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันทีเลยโอ้ตัวสติมันมาแล้วเนี่ยตัวสติที่เราเดินย่งทำความเพียรข น, นลุกขนพองหมดเล ย, เยทั้งตัวเล ย, เยรู้สึกตัวมู้มันมาแล้วพอมันมาก็รีบซักผ้าซักซักักั ก, ก, ก, กแล้วไปตากตากแล้วรีบวิ่งเข้าห้อง เข้าห้องกรรมาฐานไปเดินโยงกลมไม่ทําความเพียนพอไปเดินโยงกลมทําความเพียนเท่านั้นแหละหายหมดเลยไอ้ที่เราตั้งใจจะให้มันมีสติให้มีความรู้สึกตัวนี่หายไม่มีทํายังไงก็ไม่มีพอมันไม่มีเป็นยังไงล่ะทีนี้โอ้ยมึนหน้ามึนต า, าทําไม่ได้มึมนหัวไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าคือ เวลาเรากำหนดอยู่เนี่ยเราเดินยงกลมเราทำกลมเพียนอยู่เนี่ยตัวสติที่มันเป็นสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยมันมันก็ยังมันยากอยู่นะแต่ว่าเวลามันจะเกิดมันเกิดขนาดที่จิตเราเป็นกลางๆโดยที่เราไม่ได้ไปกดไปเกงไปบีบไปบังคับเขามันจะเกิดแต่มันจะปรากฏใ้เห็นปรากฏความเป็นเองเนี่ยมันมีมันจะปรากฏใ้เห็น เมื่อมันได้เห็นเนี่ยเราจะได้หลักได้ฐานเราจะมั่นใจว่าตัวสติปัญฐานจริงๆไม่ไม่ใช่อยู่ที่เรากําหนดตราบใดที่เรายังกําหนดอยู่นี่ยังไม่ใช่หลักไม่ใช่ฐานฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ําบ่อยๆว่าให้เอาแต่ความรู้สึกตัวและเอาความรู้สึกตัวเด้ออย่าไปเอาความรู้อย่าไปเอาอะไรที่มันที่เป็นรประสบการณ์ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวที่เรากําหนดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หลักใช่ฐานจริงๆ ตัวที่มันจริงๆคือตัวที่มันเมื่อเราปฏิบัติได้มากขึ้นมาขึ้นแล้วได้สัมผัสความมันจริงทีนี้เมื่อได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดเป็นความรู้ก็ดีเป็นการเห็นทุกข์เห็นอาการอะไรต่างๆก็ดีเพราะว่าเพราะหลังจากปฏิบัติได้มาต่อมาได้หลายๆวันแล้วก็พอดีพระอาจารย์สุ ป, ปันนั่งอยู่ในกุฏิก็เรียกว่า เรียกไปนั่งคุยด้วยอ้าวท่านปฏิบัติยังไงปฏิบัติในไหนลองยกมือดูจิยกมือให้ดูทีมันเป็นยังไงแต่ที่ได้เว่าปฏิบัติได้เป็นยังไงพอนั่งยกมือเท่านั้นแหละโยมโอ๊ยมันมีสติมันอ่อนช้อยสวยงามมากเลยนิ่มนวลมากแต่มันเป็นอะไรเป็นนิมิตเป็นอารมณ์นิมิตที่เรียกว่า เราไม่เรายกมืออยู่เนี่ยขนาดคนมองยังยังมองอู้ใช่แล้วใช่แล้วไปไปไปไไปเก้าห้องขนาดอุปจารสุ ป, ปนันมานั่งมองอยู่ยังรู้ว่ามันเป็นความมีสติแต่มันเป็นเป็นอารมณ์ของปฏิบัติใหม่ๆมันเป็นอารมณ์นิมิตพอเห็นด้านนั้นแหละวิ่งเข้าห้องอีกไปยกมือจะให้มันเป็นอีกให้มันมีอีกไม่มีโอ๊ยมึนหน้ามึนตามึมนไปหมดเลย ทำไม่ได้เลยนอนต้องนอนทำไม่ไหวเลยอันนี้คือคื อ, อเราไม่รู้สภาวะอารมณ์นะนคนที่เป็นอย่างนี้ที่เขาเดินเขาทําได้ก็ยังมีมีหลายๆคนที่ได้เป็นสภาวะอย่างนี้เขาก็ไม่เขาทนได้อดได้ก็มีเพราะว่าแต่ก่อนพระหลายๆรูปที่อยู่ด้วยกันที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยโอ้คนที่มีความเพียรสุดๆเนี่ย เยอะจริงๆนะโยมคนที่มีความเพียรสุดๆเนี่ยอดมมาก็อาศัยพระที่อยู่ด้วยกันให้ทำเองนี่มันมันไม่มีความเพียรความอดทนก็อาศัยมองพระกุฏิของแต่ก่อนที่อยู่กาลิโกนี่มองกุฏิหลังคาย่ามันไม่มีฝาหรอกมองไปเห็นแต่ขาเดินจงกลมทั้งวันก็แปลกใจว่าเอ๊ะพระลูกนี้ บวชมาพรรษาเดียวยังไม่ทั้งเราตั้งห้าพรรษาแล้วทำํำไมเราทําความเพียรสู้เขาไม่ได้ทําไมเขาทําความเพียรได้เยอะจังนะเดินโยกมตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงย็ยนสิบชั่วโมงไม่พักโอ้สุดยอดเลยทําไมทําไงเราต้องเอาบ้างเราต้องทําบ้างทีนี้เมื่อเราทําเหมือนกับเขาเนี่ยเราไปเดินโยกมทําความเพียรเนี่ แค่เดินได้ชั่วโมงสองชั่วโมงในเปเอาแล้วปวดแข้งปวดขาไม่ไหวแล้วคนที่เขาเทืนมาทำในมากเพราไมเขาถึงทําได้มากเพราะเขามีพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กเขาไปเดินตุ้ดงกับพระตุ้ดงแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธเขาหัดมานานหลายปีเมื่อเขามาจับตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจึงได้ตัวสติที่เตี่ยมเนื่องแล้วก็ชัดเจนเมื่อมัน ว่าตีมันต่อเนื่องชัดเจนเนี่ยมันจึงข้ามเวทนาเวทนาคือความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เราเดินยงกลมอยู่เนี่ยความมีสติมากมันจบมันไม่เป็นอันเนี้เน่ยฉะนั้นหลวงพ่อจึงพยายามเน้นแล้วเน้นเดียวย้ำแล้วย้นเดีกทําอย่างไรเราถึงจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่อง อันเนี้ยเอาความเอาให้สติมันต่อเนื่องรู้ทุกเก้าทุกเก้ารู้ทุกอมือยกทุกครั้งให้รู้รู้รู้อย่างเนี้ยถ้ามันรู้ต่อเนื่องสติมันมีกําลังเมื่อสติมีกําลังมันข้ามเวทนาเห็นเวทนาปุ๊บเนี่ยทาความรู้สึกตัวต่อเนื่องต่อเนื่องยังไม่พอต้องมีน้ําหนักอีกด้วยนะสติเนี่ยต้องมีน้ําหนักทั้งมีน้ําหนักทั้งต่อเนื่องมันก็จะข้ามได้มันก็จะอะ ผ่านได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอาศัยหมู่อาศัยมิตรอาศัยนี่แหละถ้าเราหากว่าเราไม่มาเก็บอารมณ์ถ้าเราปฏิบัติธรรมดาธรรมดานี่ก็ยากส่วนมากก็จะมานี่ยได้ก็ในในห้องในห้อง ก, กรรมฐานในห้องปฏิบัติถึงจะได้ถึงจะเห็นเห็นนี่ไม่ใช่เห็นอะไรนะเห็นหลายๆอย่างคือเห็นอ่า ความโกรธนะความโกรธความไม่พอใจอย่างเนี้ยมันค่อยๆหมดค่อยๆบรรเทาเบาบางค่อยๆจบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นคุณเห็นค่าเพราะว่าอะไรอยู่เพราะว่าอ่อตกิเลสตัณหาบทานในตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเรามีอะไรบ้างตอนเราเป็นอยู่ตอนเรามีอยู่เนี่ยเราไม่รู้ แต่ตอนที่มันหมดตอนที่มันหมดเนี่ยเรารู้แหละโอ้อันนั้นมันเป็นอุปนิสั f, จิตใจเก่าๆของเราเด้อ่านั้นเราเป็นเด้อันนั้นมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เด้เราเข้าใจว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจว่าเราใช่นะแต่มันไม่ใช่ตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งแต่พอเราก้าวล่วงไปแล้วเราจะมองย้อนหลังว่าโอ้ที่เราเข้าใจตรงนั้นมันไม่ใช่ที่เราเข้าใจนี่มันไม่ใช่มันไม่ถูก มันไม่ตรงมันถูกอยู่แต่มันถูกไม่เต็มร้อยมันถูกไม่เต็มแต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นโอ้เราจะเห็นเห็นแหละในความถูกความผิดของตัวเองอุปนิสัยจิตใจของเราเนี่ยมีความถูกความผิดในตลอดเวลาเลยนะมันจะมีแต่แต่เราไปติดเมื่อเราไปติ ด, เ ก, เ, ตดเกิดความไม่พอใจอะคนนั้นทําอันนั้นไม่ถูกคนนี้ทําอันนี้ไม่ถูกฉะนั้นเวลาปฏิบัติอยู่ <c oughs> มันจึงมีหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นสภาวะอารมณ์แม้กระทั่งครูบา อ, อาจารย์บอกก็ยังไม่เชื่อนะเดี๋ยวเป็นปฏิบัติอยู่เนี่ยพอมันมีความรู้มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยครูบา อ, อาจารย์บอกไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยแหละแต่าจจมานี่ก็เป็นเพราะว่าเออ่ มีอยู่ครั้งหนึ่งปฏิบัติทำอยู่เนี่ยปฏิบัติอยู่แก่เก็บอารมณ์อยู่หลวงพ่อไปสอบอารมณ์หลวงพ่อจรันไปสอบอารมณ์แล้วพอดีมันเกิดอาการปวดหัวอยู่เนี่ยปวดหัวอยู่หลวงพ่อผมปวดหัวทำไงถึงจะหายโอ้ยเดินยังกกมใส่หน่อยเดียวมันก็หายแล้วโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยบ้าแล้วน่ คนปวดหัวจะตายบอกให้เดินโยงกลมใส่มันจะเดินไปได้ยังงจะหายได้ยังไงมันต้องไปกินยามันต้องไปหาหมอดิเ <c oughs> ถียงในใจนะคัดค้านในใจไม่ทําตามนะไม่ทําตามนะแต่พอมาพอประดิษฐมาพักหลังๆมาพอเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บปวดหัวเอ๊หลวงพ่อเคยบอกว่าอ่าตอนมันปวดหัวเนี่ยเราไปเผลอไปหลงกับความคิดเนี มาอยู่กับความสติดูสิเดินวงกลมทำเลงๆพอมันมีสติรูวามรู้ตัวสิ่งเหล่านั้นก็หายหายได้จบได้ก็เรียกว่าเวทนาที่มันเกิดกับกายกับใจ <c oughs> มันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะปฏิบัติเนี่ยเราลงมือทํเนี่ยเป็นของจริงๆเรียกว่าเหตุความง่วงเกิดขึ้นก็เกิดขึ้ น, นจริงๆความหงุดหงิดพุ่งซ่านก็เป็นของจริง อยู่ที่ว่าเราจะมีสติเข้าไปกําหนดรู้ให้มันผ่านสภาวะขณะที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นั้นเองมันเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะโยมเป็นเรื่องของเราครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้นะตอนที่เราเป็นอยู่ดีไม่ดีครูบาอาจารย์มาบอกเราโกรธอีกเราไม่พอใจอเป็นลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันโยมเราปฏิบัติเนี่ย เราอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรเนาะมันได้พอมา <c oughs> มาที่นี่ก็ยังมีโยมที่ถามว่าโอ้เ oh, นี่ยพอกระทบกระทบความโกรธอันนี้เป็นของจริงเลยนะยพอกระทบความโกรธเขาบอกว่าพอมันโกรธปุ๊บมันมีคนบอกบอกว่าเนี่ยเรากาลังโกรธอยู่นะเราไม่พอใจเขานะมันหยุดเออนั่นแหละของจริงละ มันหยุดถ้ามีสติแล้วมันบอกเราอย่างนั้นนะ่ะนั่นละ่ะลักษณะของของตัวสติถ้ามันเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีคนบอกแล้วนะนั่นล่ะมันใช่เลยอันมาปฏิบัติครั้งแรกแค่ยังไม่ถึงเจ็ดวันนะหลว่ร ก, กรมนี่แหละไปที่อากาลิโกปีปีพศ2533ตอนนั้นยังไม่มี บางไม่ได้เป็นวัดหรอกเป็นป่าชา้าไม่มีกุฏิไม่มีอะไรเลยอบรมนักเรียนใช้อ่ามงุงใช้ทํานั่งร้านแล้วก็เอาบากานมะพร้าวมาทําเป็นศาลาอบรมนักเรียนนะ <c oughs> เอามาใบมะพร้าวมงุงแล้วก็อบรมนักเรียนที่วัดป่ากาลิโกในป่าชา้าไปนอนตำกองฟางตาำทุ <c oughs> ่งนาหลวงพรามากรมนี่แหละ ไปเป็นผู้พาเดินยงกลมแล้วก็ไปวินทบาทโยมไปวินทบาทเนี่ยพอดีเถียงกันกับพระคุยกันไปคุยกันมาก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่การที่เราได้เดินยงกลมทำวมเพียนมากเนี่ยมันมีคนบอกเอาไปเถียงกันทาไมเนี่ยไปเถียงเอาทาไมเถียงแล้วมันได้อะไรมันหยุดทันทีมันหยุดทันดีเลยเนี่ยแข็งไม่ถึง ประมาณแค่เจ็ดวันนะได้สัมผัสได้สัมผัสมันก็สงสัยอว่าเอะอะไรบอกเราอะไรสอนเราอะไรมันมาเป็นผู้บอกเราว่าอ่าไปเถียงเขาทําไมไปว่าเขาทําไมถ้าตัวสติมันมันมีทํากําลังแ ล, แล้วเราได้สัมผัส ต, ตรงเนี้ยนั่นแหละของของจริงเรียกว่าตัวสติมันเริ่มเริ่มสอนแล้ว ถ้าตัวเนี้ถ้าเราทำมากขึ้นมากขึ้นตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วมันจะบอกมันจะสอนเราเมื่อเราเกิดความง่วงหรือเกิดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านหรือเกิดความโกรธตัวนี้มันจะมาถ้ามีสติต่อเนื่องดีๆมีสติชัดเจนนี้ก็สังเกตตัวนี้มันจะสอนเราเอง มันเรียกว่ามันเรียกลักษณะของของของจิตยิ่งชัดเท่าไหร่ <c oughs> ตัวนี้ยิ่งดีเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเราผ่านอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างผ่านอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติตัวเนี้ยมันจะค่อยชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นยิ่งอารมณ์หนักเท่าไหร่ยิ่งเราผ่านได้ตัวนี้ก็ยิ่งจะเรียกว่าชัดเจนมากขึ้น นะความรู้ตรงนี้มันจะชัดเจนแล้วมันจะบอกเราอย่างแจ่มแจ้งได้ทุกขณะทุกขณะอันนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นสภาวะอารมณ์ที่ <c oughs> ปฏิบัติจฉนั้นก็พูดสู่ฟังโยมก็อย่าอย่าไปนึกไปคิดอย่าไปจำเอามันไม่ใช่นะเดีย๋ยวนี้เราเราสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็ดีใครพูดก็ดี เราอย่าไปอย่าไปคาดคะเนว่าหลวพ่อพูดอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้พระ อ, อาจารย์นั้นพูดอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ต้องเอาไปยุ่งไปเกี่ยวเลยเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราถ้าเรามีสติถูกต้องถ้าเรามีสติความรู้สึกตัวเฉยๆนี่แหละความรู้สึกตัวเฉยๆความรู้สึกตัวที่มันต่อเนอื่องนี่แหละมันจะพัฒนามันจ ะ, ะเพิ่มพูนพอกพูนสติปัญญาให้เราเองการแก้ไข ข้างเรามันจะมีเองมีขนาดที่เมื่อเกิดอารมณ์อะไรขึ้นเราก็พยายามทำให้มันผ่านทำให้มันผ่านทํามันผ่านหาวิธีการหาเทคนิคที่จะมาแก้ไขสภาวะอารมณนน์นั้นๆมันแก้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องนั่นแหละถ้าเรามีถ้าเราพยายามแก้น ะ, ะถ้าเราไม่แก้เนี่ยเราก็จะเพนผู้แพ้แพ้ในีมันพอกพูนนะโยมเหมือนดินดินพอกหางหมูนะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราย อ, ยอมแพ้เราไม่สู้เนี่ยมันจะเป็นดินพอกางหมูเมื่อเกิดขึ้นที่หลังอีกมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วเราจะข้ามไม่ได้ลักษณะอารมณ์เหมือนเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราทำไม่ผ่านมันก็จะเบาถ้าเราทำไม่ผ่านมันก็จะหนักเพราะมันพอกคูนไปเรื่อยๆเื ๆ, ๆเอาสังเกตุดูก็ได้โยมเนี่ยตื่นเช้าๆมาเนี่ย เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เนี่ยถ้าตั้งนาฬิกาปลุกปับ๊บเราตื่นปั๊บลุกขึ้นมาออกมาเลยเนี่ยมันก็ง่ายเนี่ยแต่ถ้านาฬิกาปลุกปับ๊บกดนาฬิกาไว้ปับ๊บอา้าวไม่ลุกแล้ววันนี้ลุกยากละ ว, วันที่สองพอนาฬิกาปลุกอีกลุกยากกว่าเก่าอีกวันต่อไปลุกอีกไม่ลุกเลยทีนี้เนี่ยคือลักษณะสภาวะจิตใจของเราเป็นแบบนั้นสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเจอกันครั้งแรก ทำให้มันข้ามเลยมันก็จะง่ายอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยทำให้มันข้ามได้ทำให้มันผ่านมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่ผ่านมันก็จะพอกพูนมันก็จะหนักขึ้นอันนี้ก็พูดสู่ฟังเนาะอ่าก็หวังว่าทุกท่านทุกคนคนจะได้พบได้เห็นในสิ่งที่อามุ่งหวังเรียกว่ามีสติต่อเนื่องมีสติที่มีกาลังอาพ้นจากความทุกข์ แล้วก็ได้ประสบพบเห็นในสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาทุกท่านทุกคนเติน